พระไตรปิฎกเล่มที่สิบปสังยุตตานิกายสลายตนะวัฏเวทนาสังยุตสคกขะวัคหมดว่าด้วยสูตรที่มีคาถาว่าด้วยสมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเวทนาสามประการคือสุขเวทนาความรู้สึกสุขทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข อทุกขม ส, สุขเวทนาความรู้สึกสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้ามีจิตตั้งมัน่นมีสติสัมปชัญญะย่อมรู้ชันเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนานิพพานคือความดับอันเป็นที่ดับแห่งเวทนาและทางดำเนินให้ถึงความสิ้นไปแห่งเวทนาเหล่านั้นรอดสิ้นเวทนา ภิกษุจึงเป็นผู้หมดความหิวเปรินิพพานแล้วว่าด้วยความสุขความสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกมีอยู่ภิกษุรู้ว่าเวทนานี้เป็นทุกข์มีความพินาศแตกสลายเป็นธรรมดา ถูกต้องสัมผัสความเสื่อมด้วยยานอยู่ยอมคลายความยินดีในเวทนาเหล่านั้นด้วยประการอย่างนี้ว่าด้วยการละเธอทั้งหลายพึงละราคานุสัสกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคือราคาในสุขเวทนาพึงละปฏิคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน คือความกระทบกระทั่งในใจในทุกขเวทนาพึงละอวิชานุใสกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคืออวิชชาในอทุกขมสุขเวทนาเพราะภิกษุละราคานุสัยในสุขเวทนาละปฏิคานุใสในทุกขเวทนาละอวิชานุใสในอทุกขมสุขเวทนาได้ฉะนั้นภิกษุนี้ เราจึงเรียกว่าผู้ไม่มีอนุสัยมีความเห็นชอบตัดตัณหาได้เพื่อถอนสังโยชน์แล้วได้ทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะรู้แจ้งมานะคือความตือตัวได้โดยชอบราคานุสัยนั้นย่อมมีแก่ภิกษุผู้สวยสุขเวทนาผู้ไม่รู้ชัดมีปกติไม่เห็นธรรมะเครื่องสลัดออก ปฏิคานุสัยย่อมมีแก่ภิกษุผู้สวยทุกขเวทนาผู้มีรู้ชัดมีปกติไม่เห็นธรรมะเคลื่อนสลัดออกบุคคลเพลิดเพลินอตุคมสุขเวทนาซึ่งมีอยู่ที่พระผู้มีพระภาคผู้มีปัญญาดุดแผ่นดินทรงแสดงไว้แล้วย่อมไม่ขนจัดทุกเมื่อใด ภิกษุมีความเอียนไม่รักสัมปัชชัญญาเมื่อนั้นเธอเป็นบัณฑิตกำหนดรู้เวทนาทั้งปวงได้เธอครั้นกำหนดรู้เวทนาแล้วไม่มีอาสวะในปัจจุบันตั้งอยู่ในธรรมจบเวทตายไปย่อมไม่เข้าถึงการบัญญัติว่าด้วยบาดาล ภิกษุทั้งหลายปุตตุชนผู้ไม่ได้สดับกล่าวคําใดว่าในมหาสมุทรมีบาดาลบาดาลในที่นี้หมายถึงสถานที่ที่ไม่กวรตกไปเพราะไม่มีที่อาศัยปุตุชนผู้ไม่ได้สดับกล่าวคําใดว่าในมหาสมุทรมีบาดาลปุถุชนผู้ไม่ได้สดับกล่าวคํานั้นซึ่งไม่มีไม่ปรากฏว่า ในมหาสมุทมีบาดาลคำว่าบาดาล น, นี้เป็นชื่อของทุกขเวทนาที่เป็นไปในสรีระปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกทุกขเวทนาที่เป็นไปในสารีระถูกต้องแล้วยอมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุกอกกรำครวนถึงความลุ่มหลงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้เรากล่าวว่า ปรากฏในบาดาลไม่ได้และถึงการยังหลงไม่ได้ส่วนอริยาสาวกผู้ได้สดับถูกทุกขเวทนาที่เป็นไปในสรีระถูกต้องแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุก อ, อกคร่ำครวนไม่ถึงความลุ่มหลงภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับนี้เรากล่าวว่า ปรากฏในบาดาลได้และถึงการอย่างลงได้ภิกษุใดถูกทุ ก, ทกเขเวทนาที่เป็นไปในสารีระอันนำชีวิตไปซึ่งเกิดขึ้นถูกต้องแล้วอดกลั้นไม่ได้ย่อมหวั่นไหวมีกำลังซามเรียวแรงน้อยย่อมร้องไห้ก่ําครวนภิกษุนั้นปรากฏในบาดาลไม่ได้ ทั้งถึงการอย่างลงไม่ได้ด้วยส่วนภิกษุใดถูกทุกขเวทนาที่เป็นไปในสรีระอันนำชีวิตไปซึ่งเกิดขึ้นถูกต้องแล้วอดกลั้นได้ย่อมไม่วันไหวภิกษุนั้นแหลปรากฏในบาดานได้ทั้งถึงการอย่างลงได้ด้วยว่าด้วยสิ่งที่กวนเห็น เธอทั้งหลายเพึงเห็นสุกเทวนาโดยความเป็นทุกข์พึ่งเห็นทุกขเทวนาโดยความเป็นลูกสรพึงเห็นอทุกขธรรมสุกเทวนาโดยความไม่เที่ยงเพราะภิกษุเห็นจริงตามนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่ามีความเห็นชอบตัดตัญหาได้เพิกถอนสังโยชน์แล้วได้ทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะรู้แจ้งมานักได้โดยชอบ ภิกษุใดเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศรเห็นอทุกขมสุขเวทนาที่มีอยู่โดยความไม่เที่ยงภิกษุนั้นมีความเห็นชอบย่อมกำหนดรู้เวทนาทั้งหลายได้เธอครันกำหนดรู้เวทนาแล้วไม่มีอาสวะในปัจจุบันตั้งอยู่ในธรรมจบเวทตายไป ย่อมไม่เข้าถึงการบัญญัติว่าด้วยลูกศรภิกษุทั้งหลายปุทุชนผู้ไม่ได้สดับสวยสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอัตุขมสุขเวทนาบ้างอริยสาวกผู้ได้สดับก็สวยเวทนาทั้งสามนั้นบ้าง ในชนสองจำพวกนี้มีความแตกต่างกันคือปุตุชนผู้ไม่ได้สดับได้รับทุกเขเวทนาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุกอกคร่ำครวญถึงความลุ่มหลงเขาย่อมสวยเวทนาสองประการคือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจในขมังธนูใช้ลูกศรยิงบูรุษยิงซ้ำบูรุษนั้น ด้วยลูกศรดอกที่สองอีกเมื่อเป็นเช่นนี้บุรุษนั้นย่อมสวัยเวทนาสองประการเพราะลูกศรคือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจแม้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันอันหนึ่งเขาได้รับทุกเวทนาแล้วย่อมขัดเกืองปฏิคานุสใยในทุกเวทนาย่อมไหลไปตามเขาผู้ขัดเกลือง ในเพราะทุกขเวทนานั้นเขาถูกทุกขเวทนาถูกต้องแล้วก็ยังเพลิดเพลินกามสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุทุชนผู้ไม่ได้สดาบนั้นไม่รู้ชัดเครื่องสลัดออกจากทุกขเวทนานอกจากกามสุขเมื่อเขาเพลิดเพลินกามสุขราคานุสัยในสุขเวทนานั้นย่อมไหลไปตาม เขายอมไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้อวิชานุสัยในทุกขมะสุขเวทนาย่อมไหลไปตามเขาสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสสวยสุขเวทนานั้นสวยทุกขเวทนา หรือสวยอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสสวยเวทนานั้นปุทุชนผู้ไม่ได้สดับนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ประกอบด้วยชาติคือความเกิดชรามรณะโศกปริเทวะทุกโทมนต์และอุปาญาตเรากล่าวว่าเป็นผู้ประกอบด้วยทุก ส่วนอริยสาวกผู้ได้ศึกษาถูกทุ ก, ก, กเวทนาถูกต้องย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลําบากไม่ไร่าไรไม่ทุกอกกร่ำครวนไม่ถึงความลุ่มหลงเธอย่อมสวยเวทนาทางกายประการเดียวไม่สวยเวทนาทางใจเปรียบเหมือนนายขมังธนูใช้ลูกศรยิงบุรุษไม่ยิงซ้มบุรุษนั้นด้วยลูกศรดอกที่สอง เมื่อเป็นเช่นนี้บุรุษนั้นย่อมสวยเวทนาเพราะลูกศรดอกเดียวฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันอนหนึ่งเธอถูกทุกขเวทนานั้นแลถูกต้องแล้วย่อมไม่ขัดเคืองปฏิคานุสัยในทุกขเวทนาย่อมไม่หลายไปตามเธอผู้ไม่ขัดเคืองในเพราะทุกขเวทนาเธอถูกทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมไม่เพลิดเพลินกามาสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอริยาสาวกผู้ได้สดับนั้นรู้ชัดเครื่องสลัดออกจากทุกขเวทนาเว้นจักรมาสุขเมื่อเธอไม่เพลิดเพลินการมาสุขราคานุสัยในสุขเวทนาย่อมไม่ไหลไปตามเธอรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษ และเครื่องสลัดออกจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงเมื่อเธอรู้ชัดเช่นนั้นอวิชานุสัสในอทุกขมสุขเวทนายอมไม่ไหลไปตามถ้าเธอสวยสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทน า, ออทนาก็ปราศจากกิเลสสวยเวทนานั้นๆภิกษุทั้งหลาย อริยส า, าวกผู้ได้สดับนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปราศจากชาติชรามโมรณนะโสกาบริเทวะทุกทมนัตและอุปายาตเรากล่าวว่าเป็นผู้ปราศจากทุกภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นความแปลกกันเป็นความแตกต่างกันเป็นเหตุทำให้ต่างกันระหว่างอริยส า, าวกผู้ได้สดับ กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับอริยส า, าวกนั้นมีปัญญาเป็นผหูสูตรยอมไม่เสวยทั้งสุขเวทนาทั้งทุกขเวทนานี้เป็นความแปลกกันระหว่างทีรชนผู้ฉลาดกับปุถุชนธรรมะที่น่าปรารถนายอมไม่ ย, มย่ำยีจิตของอริยส า, าวกนั้นผู้มีธรรมะอันรู้แจ้งแล้ว เป็นพหูสูตรเห็นแจ้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ท่านย่อมไม่ถึงความขัดเคืองเพราะอนิธารมอันหนึง่งความยินดีหรือความยินร้ายถูกท่านกำจัดแล้วตั้งอยู่ไม่ได้ย่อมไม่มีท่านรู้บทที่ปราศจากทุลีไม่มีความเศร้าโศกรู้ชัดโดยชอบถึงฝั่งแห่งพบได้ ว่าด้วยความเจ็บป่วยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลานี้เป็นคำพร่ำสอนสำหรับเธอทั้งหลายของเราผู้มีสติเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปัชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมานต์ในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายในจิตในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปัชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมานต์ในโลกได้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 การเดินยืนนั่งนอนการตื่นการพูดการนิ่งภิกษุผู้มีสัมปัชัญญะเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงมีสติสัมปัชชญญะตลอดเวลานี้เป็นคำพร่ำสอนสำหรับเธอทั้งหลายของเราถ้าเมื่อภิกษุนั้นมีสติสัมปัชัญญะไม่ประมาทมีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้สุขเวทนาเกิดขึ้นเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าสุขเวทนานี้เกิดขึ้นแล้วแกเราเพราะอาศัยกันสุขเวทนานั้นจึงเกิดขึ้นเพราะไม่อาศัยกันจึงไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไรเพราะอาศัยกายนี้เองแต่กายนี้ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยการและการเกิดขึ้นสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยกายที่ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการและการเกิดขึ้นนั้นสุขเวทนานั้นที่ไหนจะเที่ยงเราเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมความคลายกำหนัดความดับและความสลละกืนในกายและในสุขเวทนาอยู่ เมื่อเธอพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมละราคานุสัยในกายและในสุขเวทนาได้ภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุนั้นมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทมีความเพียนอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นเธอรู้ชัดว่าทุกขเวทนานี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะอาศัยกันจึงเกิดขึ้น คือเพราะอาศัยกายแต่กายนี้ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและการเกิดขึ้นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นที่ไหนจะเที่ยงเล่าเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมความคลายกำนัดความดับความสละคืนในกายและในทุกขเวทนานั้นเมื่อเธอพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมละปฏิคานุใส ในกายและในทุกขเวทนาได้ภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุนั้นมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจยอยู่อย่างนี้อัุกุขมัสสุขขเวทนาเกิดขึ้นเธอรู้ชัดว่าอัตถุขมัสสุขขเวทนานี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะอาศัยกายนี้จึงเกิดขึ้น แต่กายนี้ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการและการเกิดขึ้นอตุคขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นนี้จะเที่ยงได้ที่ไหนเหล่าเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมความคลายกำ น, นัดความดับและความสละคือในกายและในอทุคขมสุขเวทนาอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นดังนั้น ย่อมละอวิชานุสัยในกายและในอทุกขมสุขเวทนาได้ถ้าภิกษุนั้นสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอสวยทุกขเวทนาถ้าเธอสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รู้ชัดว่าเวทนาเหล่านั้นไม่เที่ยงไม่น่าหมกมุ่นไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอสวยสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาเมื่อเธอสวยเวทนานั้นก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสสวยเวทนานั้นๆเมื่อเธอสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัด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 เมื่อสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดมีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดตามความเป็นจริงนั้นหลังจากตายไปก็รู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจากเย็นในโลกนี้ทีเดียวภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลานี้เป็นคำพร่มสอนสำหรับเธอทั้งหลายของเรา ผู้มีสติสัมปชัญญะย่อมรู้เวทนาชัดถ้าเมื่อภิกษุนั้นมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้สุขเวทนาเกิดขึ้นเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าสุขเวทนานี้เกิดขึ้นแล้วแกเราเพราะอาศัยกันคือเพราะอาศัยผัสศานี้เองแต่ผัสษานี้ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันและการเกิดขึ้นสุขเวทนานั้นจะเที่ยงที่ไหนเล่าเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมความคลายกำหนัดความดับและความสละคือในภาษาและในสุขเวทนาอยู่เมื่อพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมละราคานุสายในภาษะและในสุขเวทนานั้นได้และโดยในยยเดียวกัน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 ว่าด้วยเวทนามีผัสสะเป็นมูลเวทนาสามประการนี้คือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเกิดจากผัสสะมีผัสสะเป็นมูลมีผัสสะเป็นเหตุมีผัสสะเป็นปัจจัยเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสุขเวทนาจึงเกิดขึ้น เพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นนั่นแหลดับสุขเวทนาที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาที่เสวย อ, อยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับคือสงบไปทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาก็เช่นเดียวกันเปรียบเวทนากับความร้อน พิกซูทั้งหลายเพราะไม้สองอันเสียดสีกันจึงเกิดความร้อนไฟลุกขึ้นเพราะแยกไม้ทั้งสองนั้นออกจากกันความร้อนที่จะเกิดจากการเสียดสีกันนั้นจึงดับระ ง, งับไปคือไม่มีทางเกิดขึ้นโดยในยา this คือต้องมีไม้สองอันเสียดสีกันถ้ามีแค่อันเดียวก็ไม่สามารถสร้างไฟขึ้นมาได้นะครับ อุปมาณ้ฉันใดอุปไหยก็ฉันนั้นแม้เวทนาสามประการนี้ก็เช่นกันเกิดแต่ผัสสะมีผัสสะเป็นมูลมีผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะอาศัยผัสสะที่เกิดแต่ปัจจัยนั้ น, เ, เ, เ, น, นเวทนาที่เกิดแต่ผัสสะนั้นจึงเกิดเพราะผัสสะที่เกิดแต่ปัจจัยนั้นดับเวทนาที่เกิดแต่ผัสสะนั้นจึงดับ พระโหคตวัหมวดว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ในที่สงัดครั้งหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งเข้าเป้ากราบทูลดังนี้ว่าที่พระองค์ตรัสเวทนาไว้สามประการคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอาทุกขมสุขเวทนานั้นที่พระองค์ตรัสว่าความสวยอารมณอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเป็นทุกข ข้อนี้หมายถึงอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อนี้หมายถึงความที่สังขารทั้งหลายนั้นแหละไม่เที่ยงความสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเป็นทุกข์เรากล่าวหมายถึงความที่สังขารทั้งหลายนั้นแหลมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแตกไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดา สังขารทั้งหลายนั้นและมีความแปรผันเป็นธรรมดาต่อมาเรากล่าวความดับไปแห่งสังขารตามลาดับคือเมื่อภิกษุเข้าปฐมฌานวาจาก็ดับไปเข้าทุติยฌานวิตกวิจานก็ดับไปเข้าตัติยฌานปิติก็ดับไปเข้าจตุทัชฌาน ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกก็ดับไปเข้าอากาศสานัญจายตนะฌานรูปสัญญาก็ดับไปเข้า okay วิญญาณัญจายตนะฌานอากาศสานัญจายตนะสัญญาก็ดับไปเข้าอากินจัญญายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะสัญญาก็ดับไปเมื่อเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌาน กินจัญญายวทนาสัญญาก็ดับไปเมื่อเข้าสัญญาเวทียตานิโรธสัญญาและเวทนาก็ดับไปภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วราคะย่อมดับไปโทสะย่อมดับไปโมหะย่อมดับไปต่อมาเรากล่าวความ ร, งระงับไปแห่งสังขารตามลําดับ คือเมื่อภิกษุเข้าปฐมฌานวาจาก็ระงับไปเป็นต้นนั้นจนถึงภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วราคะโทสะโมหะย่อมระงับไปภิกษุปัิสติหกประการ น, นี้คือเมื่อภิกษุเข้าปฐมฌานวาจาก็สงบเมื่อเข้าทุติยฌานวิตกวิจารณ์ก็สงบเมื่อเข้าตตติยฌานปิติก็สงบ เมื่อเข้าจตุทัฏฐานลมหายใจเข้าและลมหายใจออกก็สงบเมื่อเข้าสัญญาเวทยายตะนิโรธสัญญาและเวทนาก็สงบภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วปราคะโทสะโมหะย่อมสงบว่าด้วยอากาศ ภิกษุทั้งหลายลมชนิดต่างๆพัดไปในอากาศคือลมมาจากทิศตะวันออกพัดไปบ้างมาจากทิศตะวันตกพัดไปบ้างจากทิศเหนือทิศใตพพพ้พัดไปบ้างลมเจือปนพัดไปบ้างไม่เจือปนพัดไปบ้างลมหนาวลมร้อนลมอ่อนๆลมแรงพัดไปบ้างแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลาย เวทนาชนิดต่างๆก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเกิดขึ้นในกายนี้คือสุขเวทนาเกิดขึ้นบ้างทุกเวทนาทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นบ้างเมื่อใดภิกษุมีความเพียรไม่ละสัมปัชชะเมื่อนั้นเธอเป็นบัณฑิตกำหนดรู้เวทนาทั้งปวงได้เธอครั้นกำหนดรู้เวทนาแล้ว ไม่มีอาสวะในปัจจุบันตั้งอยู่ในธรรมจบเวทตายไปย่อมไม่เข้าถึงการบัญญัติภิกษุทั้งหลายมีเรือนพักคนเดินทางอยู่คนทั้งหลายมาจากทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศ ใ, ใต้บางเข้ามาพักในเรือนพักคนเดินทางนั้นคือกษัตริย์มาพักบ้างพระมาพักบ้าง คนวันนะแพทยคนวันนะสูตรมาพักบ้างแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเวทนาชนิดต่างๆก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเกิดขึ้นในกายนี้คือสุขเวทนาทุกเวทนาอทุกขมาสุขเวทนาเกิดขึ้นบ้างเวทนาทั้งสามประการนั้นเจือด้วยอามิ t h เกิดขึ้นบ้างไม่เจือด้วยอามิ t h เกิดขึ้นบ้าง ว่าด้วยพระอานนท์ครั้งหนึ่งท่านพระอานนท์เข้าเฝ้ากราบทูลถามดังนี้ว่าเวทนามีเท่าไหร่ความเกิดแห่งเวทนาเป็นอย่างไรความดับปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างไรอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนา พระผู้มีพระภาตรัตอบว่าเวทนามีสามประการนี้คือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเพราะผัสักเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะผัสั์ดับเวทนาจึงดับอริยามรรคมีองค์แปดคือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสั ม, มาส ม, มาธินี่แหละ เป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาสภาพที่สุขโสมนัตอาศัยเวทนาเกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งเวทนาสภาพที่เวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความประภันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งเวทนาธรรมะเป็นที่กําจัดสันธราคะธรรมะเป็นที่ละสันธราคะในเวทนา คือนิพพานนั้นนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนาต่อมาเรากล่าวความดับไปแห่งสังขารตามลําดับคือเมื่อภิกษุเข้าปฐมฌานวาจาก็ดับไปเป็นต้นนั้นเมื่อเข้าสัญญาเวทยียตานิโรธสัญญาและเวทนาก็ดับไปภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วราคะโทสะโมหะ ย่อมดับไปต่อมาเรากล่าวความระ ง, งับไปแห่งสังขารตามลำดับคือเมื่อภิกษุเข้าปฐมฌานวาจาก็ระ ง, งับไปเป็นตนนั้นภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วราคะโทสะโมหะย่อมระ ง, งับไปต่อมาเรากล่าวความสงบแห่งสังขารตามลำดับ คือเมื่อภิกษุเข้าปฐมฌานวาจาก็สงบเป็นต้นนั้นภิกษุผู้สิ้นอาสวัแล้วราคะโทสะโมหะย่อมสงบว่าด้วยช่างไม้ชื่อปัญจากางคะครั้งหนึ่งช่างไม้ชื่อปัญจากางคะเข้าไปหาท่านพระอุทายี แล้วถามดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้เท่าไหร่ท่านพระอุทายีตอบว่าตรัสไว้สามประการคือสุขเวทนาทุกเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาปัญจกังค์ะกล่าวแย้งว่าตรัสไว้สองประการเท่านั้นคือสุขเวทนาและทุกเวทนาส่วนอทุกขมสุขเวทนานั้น ตรัสไว้ในสุขที่สงบปราณีตในการสนทนานั้นไม่มีใครสามารถทำให้อีกฝ่ายยอมกันได้พระอานนท์ได้ยินการสนทนานั้นจึงเข้าเฝ้ากราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เรากล่าวเวทนาสองประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวไว้สามประการโดยบรรยายก็มี กล่าวไว้ห้าประการ6ประการส8ประการ36ประการหนึ่งรประการไว้โดยบรรยายก็มีธรรมะอันเราแสดงไว้แล้วโดยบรรยายอย่างนี้ชนเหล่าใดจักไม่สําคัญไม่รู้ไม่ชื่นชมตามคำที่เรากล่าวเจรจาดีแล้วแก่กันและกันชนเหล่านั้นพึงหวังได้ว่าจากบาทหมางกันทะเลาะ ก, กันวิวาทกัน ใจหอกคือปากทิมแทงกันอยู่ธรรมะอันเราแสดงไว้แล้วโดยบรรยายอย่างนี้ชนเหล่าใดจักสําคัญรู้ชื่นชมตามคาที่เรากล่าวเจรจาดีแล้วแก่กันและกันชนเหล่านั้นพึงหวังได้ว่าจะพร้อมเพลียงกันชื่นชมกันไม่วิวาดกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่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 สุขสมนัตที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกามกุณหะประการนี้เราเรียกว่ากามสุขชนเราใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายยอมสวยสุขสมนัตที่สงบอย่างยิ่งนี้เราก็ไม่คล้อยตามคำของชนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประนีตกว่าสุขนี้จากนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสถึงสุขตามลำดับที่ยิ่งกว่ายิ่งขึ้นไปดังนี้คือการบรรลุปฐมฌานเป็นสุขที่ดีกว่าปราณีกว่ากามาสุขและโดยลำดับการบรรลุทุติยฌานคือฌานที่สองตัตยฌานคือฌานที่สามจะตุทตะฌานคือฌานที่สี่จนถึงเนวสัญญาณสัญญาญาตนาฌาน และที่สุดคือการบรรลุสัญญาเวทอิตะนิโรธนี้แหละคือสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างนี้แหละเป็นไปได้ที่อัญญาเดรธีปริภาชกทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปได้อย่างไรที่พระสมณโคดมกล่าวสัญญาเวทอิตะนิโรธและบัญญัติ สัญญาเวทอิตะนิโรดนั้นไว้ในความสุขเธอทั้งหลายพึงขานว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงหมายถึงสุขเวทนาไม่ได้ทรงบัญญัติสัญญาเวทอิตะนิโรดนั้นไว้ในสุขนั้นเลยบุคคลย่อมประสบสุขในฐานะใดๆมีสุขในฐานะใดๆพระตถากต จึงทรงบัญญัติฐานะนั้นๆไว้ในสุขอัตตะสตะปริยายวัคหมวดว่าด้วยบรรยายร้อยแปดประการสีวกะสูตรว่าด้วยสีวกะปริพาชกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับยุนณกรุงราชกฤห์ครั้งนั้น บริพาชกชื่อโมริยะศีวะกะเข้าเฝ้าทูลถามดังนี้ว่าสมณพราหมวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุรุษบุคคล น, นี้สวยสุขทุกขหรืออทุกขมสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเวทนาทั้งหมดนั้นมีเหตุที่ได้ทำไว้ในปางก่อนในข้อนี้พระโคดมผู้เจริญตรัสไว้อย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสีวะกะเวทนาบางอย่างมีดีหรือมีเสเลตหรือมีลมหรือมีทั้งดีทั้งเสเลจและลมเป็นสมุติฐานหรือเกิดจากการเปลี่ยนฤดูเกิดจากการบริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอหรือเกิดจากการถูกทำร้ายเวทนาบางอย่างเกิดผลกรรมเกิดขึ้นในกายนี้ก็มี การที่เวทนาบางอย่างเกิดจากการถูกทำร้ายหรือเกิดจากผลกรรมเกิดขึ้นในกายนี้ก็มีการที่เวทนาบางอย่างซึ่งเกิดขึ้นจากดีเสเลทลมการเป็นฤ ด, ดูหรือผลกรรมเป็นต้นนั้นเกิดขึ้นแล้วในกายนี้บุคคลพึงรู้ได้เองก็มีชาวโลกสมมุติว่าเป็นความจริงก็มีในข้อนั้น สมณพราหมณ์เราใดมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลนี้สวยสุขทุกขหรืออทุกขมสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเวทนาทั้งหมดนั้นมีเหตุที่ได้ทําไว้ในปางก่อนย่อมเล่นไปหาสิ่งที่ตนเองรู้และเล่นไปหาสิ่งที่ชาวโลกสมมุติว่าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเป็นความผิดของสมณพราหมณ์เหล่านั้น เมื่อพระผู้มีพระภาตรัสอย่างนี้แล้วบริพาโชกชื่อโมริยาสีวะกะได้กราบทูลสรรเสริญพระภาสิตประกาศตนเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดีหนึ่งเสเลดหนึ่งลมหนึ่งดีเสเลดและลมรวมกันหนึ่งฤดูหนึ่งการบริหารกายไม่สม่ำเสมอหนึ่ง การถูกทาร้ายหนึ่งรวมกับผลกรรมอีกหนึ่งรวมเหตุแห่งเวทนาทั้งหมดเป็นแปดประการดังนี้ว่าด้วยเวทนาหนึ่งร้อยแปดประการพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะบัญญายซึ่งมีบัญญายถึงหนึ่งร้อยแปดประการดังนี้คือ เรากล่าวเวทนาสองประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนา3ประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนาหาประการ6 ป, ประการ18ประการ36ประการกล่าวเวทนา108ประการไว้โดยบรรยายก็มีเวทนาสองประการอะไรบ้างคือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจ เวทนาสามประการคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกรมสุขเวทนาเวทนาห้าประการคือสุขขินรีอินสีคือสุขเวทนาทุกขินสีอินทรีย์คือทุกขเวทนาโสมนัสินสีอินรีย์คือโสมนัสเวทนาโทมนัสินสีอินทรีย์คือโทมนัสเวทนา อุเบกินรีอินซีคืออุเบกขาเวทนาเวทนาหประการคือเวทนาที่เกิดจากจักขคู่สัมผัสโสตสัมผัสขานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสและมโนโสัมผัสเวทนา18ประการคือเวทนาที่เกิดร่วมกับโสมณัตหประการเวทนาที่เกิดร่วมกับโทมนัตหกประการ เวทนาที่เกิดร่วมกับอุเบกขาหกประการเวทนาสามสิบหกประการคือเคหัสิตะโสมนัสโสมนัสอิงเรือนหกประการเนคขมะสิตะโทมนัตโทมนัตอิงเนคขมะหกประการเคหัสิตะอุเบกขาอุเบกขาอิงเรือนหกประการเนคขมะสิตตะอุเบกขา อุเบกขาอิงเนฆัมมะอกประการเวทนาหนึ่งร้ยแปประการคือเวทนาที่เป็นอดีตสาสิหกประการเวทนาที่เป็นอนาคตสาสิบหประการและเวทนาที่เป็นปัจจุบันสาสิหกประการภิกษุทั้งหลายธรรมบรรยายซึ่งมีบัญญายถึงหนึ่งร้แปประการเป็นอย่างนี้แล ว่าด้วยภิกษุรูปหนึ่งครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้ากราบทูลถามดังนี้ว่าเวทนามีเท่าไหร่ความเกิดแห่งเวทนาเป็นอย่างไรความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างไรปฏิปทาที่ให้ถึงความเกิดความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างไรอะไรเป็นคุณเป็นโทษแห่งเวทนาอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนา ทรงตอบว่าเวทนามีสามประการนี้คือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอัุุขมสุขเวทนาเพราะพัทธะเกิดเวทนาจึงเกิดตัณหาเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความเกิดแห่งเวทนาเพราะผัทะดับเวทนาจึงดับอริยมรรคมีองค์แปดนี้แหละคือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิ จนถึงสัมมาสมาธินี้แหละเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยเวทนาเกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งเวทนาสภาพที่เวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกมีความปราพันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งเวทนาธรรมะเป็นที่กาจัดชันธราคะ ธรรมะเป็นที่ละสันทราคะในเวทนานี้เป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนานิรามีสตสูตรว่าด้วยปีติและสุขที่มีอามิ t h และไม่มีอามิ t h พิกษุนทั้งหลายปีติมีอามิ t h ก็มีไม่มีอามิ t h ก็มีปีติไม่มีอามิ t ยิ่งกว่าปีติไม่มีอามิตรก็มีสุขอุเบกขาวิโมกมีอามิตรก็มีไม่มีอามิตรก็มีและไม่มีอามิ t h ยิ่งกว่าไม่มีอามิตรก็มีปีติมีอามิตรเป็นอย่างไรคือกรมคุณห้าประการนี้คือรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นผลถะพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้ผาใจให้กำหนัดปีติที่อาศัยกามคุณห้าประการ น, นี้เกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าปีติมีอามิตรปีติไม่มีอาม i t รเป็นอย่างไร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 นี้เราเรียกว่าปีติไม่มีอามิ t h ปีติไม่มีอามิตรยิ่งกว่าปีติไม่มีอามิตรเป็นอย่างไรคือปีติที่เกิดขึ้นเพราะพระรขีนาศพผู้พิจารณาจิตที่หลุดพ้นจากราคาจากโทสะจากโมหะนี้เราเรียกว่าปีติไม่มีอามิ t h ยิ่งกว่าปีติไม่มีอามิตร และโดยในยะเดียวกันสุขก็เช่นเดียวกับปีติคือสุขมีอา m ิตรเพราะอาศัยกามกุลห้าเกิดขึ้นสุขไม่มีอามิตรคือการบรรลุปถมฌานทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไป เธอมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบารรลุตติยะฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่ามีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขสุขไม่มีอามิตรเป็นอย่างนี้สุขไม่มีอามิ t รยิ่งกว่าสุขไม่มีอามิตรเป็นอย่างไรคือสุขสมนัตที่เกิดขึ้นแก่พระขีณาสข ผู้พิจารณาจิตที่หลุดพ้นจากราคะจาโทสะจากโมหะนี้เราเรียกว่าสุขไม่มีอามิตรยิ่งกว่าสุขไม่มีอามิตรอุเบกขามีอามิตรคืออุเบกขาที่อาศัยกรมคุณห้าประการเกิดขึ้นอุเบกขาไม่มีอามิตรคือเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมณะและโทมณะดับไปก่อน ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุทัตฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เราเรียกว่าอุเบกขาไม่มีอามิตรอุเบกขาไม่มีอามิตรยิ่งกว่าอุเบกขาไม่มีอามิ t รเป็นอย่างไรคืออุเบกขาที่เกิดขึ้นแก่พระขีณาสพผู้พิจารณาจิตที่หลุดพ้นจากราคาจากโทสั์จากโมหะ นี้เราเรียกว่าอุเบกขาไม่มีอามิ t ยิ่งกว่าอุเบกขาไม่มีอามิตวิโมกมีอาม i t h คือวิโมกที่ประกอบด้วยรูปชื่อว่าวิโมกมีอาม i t วิโมกไม่มีอา m ิ t คือวิโมกที่ไม่ประกอบด้วยรูปวิโมกไม่มีอามิ t h ยิ่งกว่าวิโมกไม่มีอาม i t h คือวิโมกข์ที่เกิดขึ้นแก่พระขีณาสกผู้พิจารณาจิตที่หลุดพ้นจากราคาจากโทสะจากโมหะ